นาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต รหโตสัมมาสัมพุทธทัสสะธรร ม, มสุจริตังจริธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหานติอีนะบดีอาตมภาพ จกได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมจริยกถฐาพรนนาถึงเรื่องการประพฤติ ธ, ธรรมนำสุขเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาและเพื่ออนุโมทนาต่อกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ของสาธุชนพุทธบริษัทชาววัดปรยุระวงผู้สถิตมั่นในพระบรมพุทธศาสนาปฏิบัติตนเป็นศาสนายาธท่านทั้งหลายวัดปรยุระวงสาวาตบริวิหาร มีศาสตราจารย์ด็อเตอร์พระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุระวงศาวาสเจ้าคณะภาคสองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานท่านได้มีนโยบาย ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทในการประกาศพระศาสนาอันเป็นนโยบายหลักของพระอารามและเป็นการสืบสารงานที่บุรพาจารย์ของวัดได้รังสรรค์ไว้ก็คือการเผยแผ่ซึ่งหมายถึงการแผ่การเผยแผ่ธรรม ชี้นำความถูกต้องมีองค์การซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือองค์การเผยแผ่อันมีพระเดชพระคุณทัานจุ้ณประเทศปฏิภานกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานองค์การ การเผยแผ่ของสำนักวัดประยะวง์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้กระจายงานและกระจายหน้าที่ไปในหลายรูปแบบเช่นการสอนก็มีครูพระสอนศินลธรรมตามโรงเรียน ตามวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยมีค่ายพุทธบุตรนำเยาวชนเข้าสู่ศิลธรรมมีการบรรยายธรรมนำปฏิบัติตามโรงเรียนตามโรงแรมตามโรงพยาบาล การฝึกฝนอบรมวิชาการเทศนาแก่นักเทศประจําพรรษาซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาถึง25รุ่นแล้วการเปิดสอนหลักสูตรวิชาการเทศนาแก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่นักเทศนักเผยแผ่ ตามมติมหาเถรสมาคมตลอดถึงพระธรรมทูต ท, ทั้งพระธรรมธูตสายในประเทศและก็ต่างประเทศโครงการสมมเนนธรร ม, มาทองของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่ง พระเถรานุเถระพระธรรมวิทยากรของวัดประยุรวงศาวาสได้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญตลอดถึงการแสดงธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งประเดศพระคุณศาสตราจารย์ด็อเตอร์พระบรมบัณฑิตหลวงพ่อจเจ้าวาด ได้ไปประกาศเกียติคุณเป็นที่ปรากฏเกียติยศเป็นที่ลือชาในส่วนแห่งพระอารามคือในวัดปริระวงสาวาสนี้ก็มีเทศมีการแสดงธรรมบรรยายธรรมเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งวันพระ หรือวันธรรมมะสวนะเช่นวันนี้ก็มีเทศกันอุโบสถอยู่เป็นประจำถ้าเป็นวันพระใหญ่คือสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าคำพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าเจ้าวาดก็จะเมตตามาเป็นองค์แสดงนอกกนั้นท่านพระเถรานุเถระ ในพระอารามก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแสดงดังที่ญาติโยมทุกท่านได้ประจักษ์การที่มีกิจกรรมเช่นนี้เหตุผลที่สำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดมุ่งหมายที่จะแบ่งปันธรรมะแบ่งปันความดีแบ่งปันความสุขแบ่งปันปัญญา แบ่งปันความปรารถนาดีชี้วิถีแห่งพระนิพพานการพ้นทุกข์ให้แก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นการเสริมปัญญาบารมีให้ชาวพุทธทุกท่านเป็นคนดีวิถีพุทธ ย, ยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายการเข้าวัดจะได้บุญหรือไม่ ก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดการรักษาศีลจะครบทุกข้อหรือไม่ก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยคิดรักษาการปฏิบัติธรรมจะบรรลุมรรคผลหรือไม่ก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะ มีผู้เข้าวัดมีผู้มาปฏิบัติธรรมมีผู้มาบริจาคทานมีผู้มาสมาทานศีลและมีผู้มาเจริญภาวนาดังที่ท่านทลายกําลังบำเพ็ญให้เป็นไปเรียกว่าสร้างคุณงามความดีมากมีไว้ สะสมให้มากพอเกิดก่อผลรักศักดิ์ศรีชีวิตสุจริตชนดำรงตนสัตซ์ซื่อยึดถือธรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะเข้าสักกี่วัดก็ตามแต่ก็ต้องมาจบที่วัดเดียวคือวัดใจ วัดไหนๆก็ไม่สำคัญเท่ากับวัดใจพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นประธานใจนี้เป็นหัวหน้าจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจแท้จริงการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องเอาทุกข์ออกจากใจ แต่ท่านมุ่งให้เอาใจนั้นออกจากทุกขฝั่งฟังดูเหมือนเล่นลินเนี่ยแต่ก็ต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตของเรายังไม่พัฒนาจะพัฒนาอะไรก็สำเร็จก้าวหน้า ถ้าจิตของเราได้รับการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่การรู้จักลดและรู้จักเพิ่มรู้จักปลดรู้จักปรุรปรงรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนเช่นเมื่อเข้าวัดแล้วก็ต้องเอาธรรมะไปปฏิบัติ ดังที่ได้เคยปรารภกับท่านทลายว่าคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมนั้นไปปฏิบัติถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราผู้ที่เข้าวัดผู้มีศีล ร, รมประจำใจจะต้องโกรธให้น้อยลง แต่เมตตาให้มากขึ้นลำเอียงให้น้อยลงแต่เที่ยงทรให้มากขึ้นชี้ผิดให้น้อยลงแต่ชี้ถูกให้มากขึ้นอวดภูมิรู้ให้น้อยลงแต่อวดภูมิธรรมให้มากขึ้นเหยียบย่ำให้น้อยลงแต่ยกย่องให้มากขึ้น ทอกเถียงกันให้น้อยลงแล้วรับฟังกันให้มากขึ้นเห็นแก่ตนให้น้อยลงแล้วเห็นแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นอิจฉาริษยากันให้น้อยลงแล้วมุทิตาจิตกันให้มากขึ้นครอบครองให้น้อยลงสะละละวางให้มากขึ้น กรณีให้น้อยลงบริจาคให้ปั่นให้มากขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าเราท่านทลายได้ประพฤติธธ ร, รมหรือนำธรรมะเอาไปประพฤติไปปฏิบัติหัวใจผู้ใฝ่ธรรมมีว่ายามทุกต้องทนยามจนต้องสู้ ยามมีต้องเก็บยามเจ็บต้องจํายามทาต้องคิดยามผิดต้องแก้ไขยามแค้นต้องรู้จักให้อภัยแม้แต่ยามที่ไม่เหลืออะไรก็ต้องทำใจให้ได้เพราะฉะนั้นยาที่สาคัญที่สุดคื อ, อยาทำใจ นี่ไม่ได้โฆษณาให้เขาเนว่ายา น, นี้เป็นยาที่พระพุทธเจ้าสอนเราท่านทั้งหลายว่ามีทุกอย่าทิ้งทำทำอะไรก็ทำได้แต่ทำใจนั้นสำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้า ได้มีพระบรมราโช ว, วาตคราวครั้งหนึ่งว่าการทำดีนั้นทำยากทั้งเห็นผลช้าการทำดีนั้นทำยากเพราะต้องฝืนใจทั้งเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย และเห็นผลเร็วจะเข้ามาแทนที่นี่แหละท่านถลายรักษาศีลก็อย่าเป็นคนใจโลเลรับประทานเจก็อย่าเป็นคนใจอาฆาตประพฤติธรรมก็อย่าเป็นคนพยาบาทไม่กินเนื้อสัตว์ก็อย่าเด้ดขาดเมตตา จะเห็นได้ว่าจะตัดพบตัดชาติจะตัดเวรตัดกรรมจะตัดทุกตัดโศกจะตัดรักตัดหลงล้วนจบลงที่ตัดใจเป็นเครื่องยืนยันว่าใจนี้สำคัญที่สุดเหตุนี้นักปราชท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่า ดับแค้นด้วยอโหสิดับตำหนิด้วยนิ่งไว้ดับทุกข์ด้วยสุขใจดับทุกข์สิ่งได้ด้วยปล่อยวางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าสัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แม้ในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องยึดต้องถือแต่ในบ้านปลายก็ต้องรู้จักปล่อยวางเพราะสรรพสิ่งล้วนอนิจจงใครขืนอ้างว่าเป็นของข้าก็เหมือนเอาคอมาใส่คือขาเมื่อมอรณาที่เพึ่งไม่มีท่านทลายชีวิตของคนเรานั้น ความยาวสั้นของชีวิตมิใช่เครื่องวัดความดีงามหลักประกันหรือความมีค่าของชีวิตบางท่านมีชีวิตยืนยาวแต่เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไร้ค่าทางพุทธศาสนาเรียกว่าโมคะชีวิตโมคะชีวิต แปลว่าชีวิตที่ว่างเปล่าอุปมาถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นไม้ที่ไร้แก่นเป็นไม้กรวงไม่คงทนถาวรสู้ไม้ที่มีแก่นไม่ได้มีค่าและถาวรมั่นคงกว่าเหตุนี้ท่านทั้ ง, งหลายเมื่อทำความดีเป็นบารมีธรรม เป็นบารมีกรรมจนใจของเราคุ้นชินจะไม่ได้ยินเสียงคนนินทาจะได้ยินแต่เสียงเทวดาเปล่งวาจาสาธุถ้าคนเรารวยเงินเท่ากับรวยธรรมจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน จะเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นจะมีปกติสร้างสรรค์บันดาลประโยชน์คิดดีพูดดีทำดีมีเมตตากรุณามีความรักใคร่มีจิตใจสงสารเห็นอกเห็นใจผู้ที่ยากไร้กว่าตนเรื่องนี้ท่านทลายก็คงจะ ทราบข่าวและได้ติดตามว่านักร้องชื่อดังคนหนึ่งนามว่าตูนบอดี้แสลมหรือนายอาทิวราคงมาลัยเป็นนักร้องขวัญใจชาวบ้านนับว่าเป็นผู้ที่มีวิญญาณของพระบรมโพธิสัตว์ คือเวสันดอนเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีบาเพ็ญตนเป็นยอดนักเสียสละครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาลงทุนวิ่งจากใต้สุดของประเทศขึ้นเป็นเหนือสุดของประเทศ ถามว่าวิ่งทำไมเพราะระยะทางไกลถึงพันสองกว่ากิโลเมตรเดี๋วิ่งไปทำไมวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลถึงส1อโรงพยาบาลตั้งเป้ารับเงินบริจาคไว้ เจ็ดร้อยล้านซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดดีพูดดีทำดีและมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่เอาชีวิตเอาร่างกายมาแลกต้องเป็นมีผู้มีวิญญาณของพระเวทสันดร แต่แม้คนตูนบอริสแรมจะเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเพียงใดญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีเสียงจากฝ่ายอธรรมซ้ำเติมติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีแทนที่จะสนับสนุนให้กำลังใจอันนี้ เขาเรียกว่าอุปสรรคหรือมานของการทำดีโบราณจึงบอกว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้าแต่ก็ต้องฝ่าฟันเอาชนะเสียงติฉินนินทานด้วยการไม่สนใจไม่หวั่นไหว มุ่งทำดีเพื่อดีเรื่อยไปเพราะโรงพยาบาลก็ดีแพทย์ก็ดีถ้าขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ยากที่จะช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้สะดวกเพราะฉะนั้นหัวใจของนักร้องท่านนี้จึงนับว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เต็มไว้ได้ความเสียสละเต็มไว้ได้ความรักความเมตตาความปรารถนาสุขต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก อย่าน้อยเนื้ออย่าต่ำใจให้อดทนอดกลัน้นเพราะด่าไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดลมมันด่าไม่ตลอดเดี๋ยวคนด่าก็หมดลมมีครองที่ท่านประพัน์เตือนใจไว้ว่าห้ามระเเริงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใส ห้ามวันคืนให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาก็เคยถูกนินทาเคยด่าว่าแรงๆด่าเสียให้หายเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าสารพัดอย่างจนกระทั่งพระอานนท์ ทนไม่ได้โทรให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปยังเมืองอื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์คนเมืองข้างหน้านะเขามีปากไหมมีพระพุทธเจ้าขา่อาอ้าวถ้ามีปากคนเมืองโน้นมันก็ต้องนินทาเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่น และอย่าไปหวั่นไหวอตมาเคยบอกกับญาติโยมที่นี่หลายครั้งแต่นานาประเทศทีโยมคงลืมแล้วล่ะทวนให้ฟังก็ได้เกิดเป็นคนต้องทนให้คนดา่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำซื่อซื่อถูกดา่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถ ถูกด่าว่าไม่ตรงโดนทั้งขึ้นทั้งล่องไหมเกิดเป็นคนต้องทนให้คนดา่าตราบใดที่คนยังมีปากจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำดีคนบ้ามันก็ต้องว่าทำบ้ า, บาคนดีเขาก็ต้องตำหนิทำซื่อคนคดมันก็ว่า พอไปทำาคดคนดีเขาก็ตำหนีอีกเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติกฎของธรมงธรมดาในข้อนี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าทามังสุจริตตังจรพึงประพฤติ ท, ทาให้สุจริตคำว่าประพฤติรมให้สุจริตคือ ทำดีเพื่อดีอย่าไปมุ่งหวังว่าทำดีต้องให้เขาชมถ้าใครไม่ชมเราบาเพราะฉะนั้นต้องทำดีเพื่อดีดีนั้นเหมือนเพชรเหมือนทองมันจะอยู่ในหนองในโครนมันก็เป็นทองเป็นเพชรวันอย่างคำ่ำ จะอยู่ที่ไหนก็เป็นของมีค่าของดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงไรเจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝังก็มีวันปรังอรังชังชูทำดีแล้วความดีจะมีค่าขอให้ทำดีด้วยความสุจริตใจไม่ต้องวันไหว ในเพราะสรรเสริญและนินทาเพราะเป็นโลกกระรทมคำว่าโลกกระทำแปลว่าธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเราจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามจะทำหรือไม่ทำก็ตามเสียงสรรเสริญเสียงนินทามีมาคู่กับโลกนานแล้วและจะมีอยู่ตลอดไปเราจะชอบหรือไม่ชอบ จะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ต้องประสบพบปะด้วยกันทุกรูปทุกนามอย่าว่าแต่คนเลยท่านทลายแม้แต่ธรรมชาติก็ไม่เว้นที่จะถูกตำหนิติฉินนินทาด่าว่าญาติโยมก็คงจำได้ไมฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ดา่า มนุษย์ปากเหม็นขู่เข็นเทวดาเนะี่ยพอฝนตกคนก็ดา่าหาว่าเปียกไปไหนลำบากรถติดพอฝนไม่ตกแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้เทวดาก็ถูกเล่นงานอีกประการสำคัญท่านทั้งหลายอยู่ที่ใจอีกกันแหละ ไม่แบกก็ไม่นักไม่รักก็ไม่หลงไม่ถือก็ไม่โกรธไม่คิดมากก็ไม่กลุ่มเพราะฉะนั้นคนที่จะทำดีประการสำคัญจะต้องมีเครื่องประดับประดับกายประดับใจ เครื่องประดับนี้เขาเรียกว่าอาภรชีวิตอาภรชีวิตมีอะไรบ้างเช่นเครื่องประดับข้อมือไม่ใช่กำไรไม่ใช่แหวนเครื่องประดับข้อมือหรืออาพรของข้อมือคือการให้หยิบยืน่นแบ่งปัน เครื่องประดับจิตใจคือเมตตาการุณาเครื่องประดับคอและปากคือปิยวาจาหรือมธุร ส, สวาจาเครื่องประดับหูนั่นหนาคือเลือกสะดับรับฟังแต่สิ่งอันเป็นมงคล หูของเราให้ระวังหูของเราดีกว่าเฝ้าปากชาวบ้านเราห้ามปากชาวบ้านไม่ได้นอกจากมาระมัดระวังที่หูของเราฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคลเสียงที่เป็นมงคลอย่าสนใจเสียงนกเสียงกาท่านจึงบอกว่าแต่งกายให้ดูดีด้วยเสื้อผ้า แต่งใจให้งามตาด้วยศิลธรรมดังวาทกรรมที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ให้คิดว่าเราสูงขึ้นเราสูงขึ้นสูงขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยการยืนขึ้นไม่ใช่กดหัวคนอื่นให้ต่าลงเราดูดีขึ้นได้โดยการสร้างคุณค่า ไม่ใช่พูดด่าว่าคนอื่นให้ดูแย่กว่าเราอย่าลืมว่าคนทำดีมีมากที่ถูกโกรธคนทำดีมีมากที่ถูกโกรธคนทาดีมีมากล้นคนอิจฉาคนทำดีมีมากล้นค น, ค น, กลนคนนินทาการทำดีจะมีค่าถ้าปล่อยวาง กล่าวย้ำเรียกว่าอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิแช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ถ้าหากถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนา อยู่ที่ใจอีกกันเนี่ยนัทธัหลายธรรมชาติของคนทำดีไม่ต่างอะไรกับผู้รักษาประตูฟุตบอลญาติโยมคงเคยเห็นการแข่งขันฟุตบอลผู้ที่สำคัญยิ่งก็คือผู้รักษาประตู คนดูมักจะจดจำลูกที่ผิดพลาดลูกที่รับไม่ได้เขายิงเข้าประตูแต่ว่าลูกที่เซฟได้คนก็จำเหมือนกันแต่มันจำน้อยกว่าลูกที่ผิดพลาดการทำดีก็เหมือนกันทำดีบางทีก็ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสั่นเสริญไม่มีใครนินไม่มีใครออกข่าวโฆษณาให้ก็อย่าไปเสียความรู้สึกอย่าไปหวั่นไหวดังที่เดี้บอกว่าทำดีเพื่อดีขอให้คิดไว้เสมอว่าในโลกนี้ไม่มีใครหอกที่ดีพอไม่มีใครหลอกที่พอดี ถ้าเลือกที่จะพอเสียทีนั่นแหละจะเป็นผู้มีความสุขนี่ก็เป็นเรื่องของใจอีกเช่นเดียวกันถ้าพอดีแล้วก็จะมีสุขการดูคนต้องดูให้ถูกที่สำคัญอย่าไปดูถูกคนดูคนต้องดูให้ถูก ที่สำคัญอย่าไปดูถูกคนมันจะเกิดปัญหาการจะคิดจะพูดจะทำจำเป็นต้องมีสติเป็นตัวนำถ้ามีสติเป็นตัวน ำ, นวนำจะไม่ถลรราําพลาดท่านจึงสอนว่ามีสติเพื่อยับยั้งกิเลสมีศีลเพื่อยับยั้งความชั่ว มีปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหามีธรรมะเพื่อไว้ระ ง, งับดับความทุกข์อย่างทานก็มีไว้เพื่อกำจัดมัจฉริยะศรีลก็มีไว้กำจัดโลกิยะภาวนามีไว้กำจัดอวิชชาเพราะนั้นถ้ามีสติ เป็นเพื่อนกี่วันกี่เดือนก็ปลอดภัยอย่าลืมว่าถ้ามีสติเป็นเพื่อนจะกี่วันกี่เดือนก็ปลอดภัยถ้ามีธรรมะประคองใจถึงจะกระทบอะไรอะไรก็จะวางใจเขาเราได้ดีเหตุนี้โอกาสที่เราจะเป็นเศรษฐีอาจจะมีไม่เท่ากัน โอกาสที่จะเป็นเศรษฐีอาจจะมีไม่เท่ากันแต่โอกาสที่จะเป็นคนดีนั้นมีเท่ากันทุกคนอยู่ที่เราว่าปรารถนาที่จะเป็นคนดีหรือไม่ท่านทั้งหลายกระทงจะไปตรงหรือหลงทางนี่ก็เพิ่งผ่านลอยกระทงมาไม่นาน กระทงมันจะไปตรงหรือหลงถางย่อมขึ้นอยู่กับสายน้ำไม่เกี่ยวกับกระทงคนดีจะซื้อจะตรงจะคอดจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลหรือความรู้มากรู้น้อย แต่ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของแต่ละคนถ้าอายชั่วกลัวบาปแล้วก็เป็นคนดีได้ถ้าไม่อายชั่วไม่กลัวบาปก็เป็นคนเลวได้และอย่าลืมว่าบาปไม่เคยหนีคนทำชั่วกรรมไม่เคยกลัวคนทาผิดวันนี้คำคมเยอะเตรียมกระดาษทิชชู่เช็ดหูไว้ด้วย เลือดซิบแล้วญาติยโยมฟังไปก็จดไปอ้าวท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าบาปไม่เคยหนีคนทำชั่วกรรมไม่เคยกลัวคนทำผิดเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นดอกไม้เมื่อประสบพบขยะก็ไม่ควรที่จะลดตัวเองลงไปเป็นขยะชั้นใด คนดีเมื่อประสบพบคนทำไม่ดีก็ไม่ควรลดตัวลงไปประกอบอาคุศละก ร, รมหรือทำไม่ดีตอบฉันนั้นนอกจากนี้การจะเป็นคนดีต้องมีวินิจฉัยไตรตรองยับยั้งชั่งใจทำอะไรให้พอเหมาะพอดีเช่น เช่นรักใครก็อย่ารักมากจนเกินไปเกลียดใครก็อย่ากเกลียดจนเกินไปที่เขาเรียกเกลียดเข้ากระดูกดำเนี่ยแสดงว่าถึงที่สุดหวังอะไรก็อย่าหวังมากจนเกินไปเพราะในหวังนั้นมีผลเพียงสองประการเท่านั้น คือสมหวังกับผิดหวังถ้าสมหวังหัวเราะยิ้มได้ถ้าผิดหวังเศร้าโศกเสียใจเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าใจของเรามีเมตตาธรรมจะทำให้เราไม่โกรธเกลียดใคร ขอญาตยอมจาตรงนี้ดีนะธาตุใจเขาเรามีเมตตาธรรมจะทําให้เราไม่โกรธเกลียดใครธาตุใจเขาเรามีกรุณาธรรมจะทําให้รู้สึกสงสารเห็นใจและไม่คิดสมน้ําหน้าใครธาตุใจเขาเรามีมุทิตาธรรม จะทำให้ไม่คิดอิจฉาริษยาใคร้าใจเขาเรามีอุเบกขาธรรมจะทำให้ไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมดูถูกดูหมิ่นใครถ้าเรามีกัตัญญูกตัตเวทิตาธรรมจะทำให้ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นใครมีแต่ยกย่องเชิดชูบูชา และเป็นคนที่ไม่หลงตัวลืมตนอย่างที่โบราณบอกว่าคนลืมตัวขอประทานโทษบัวลืมตีนปักศินลืมไพรนั่นเสียคนท่านจึงประพันธ์สอนใจไว้ว่าผู้ใดเคยเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุนจงแทนคนจนกว่าจะอาสัน แม้ไม่มีสิ่งใดจะให้ปันก็จงมันสรรเสริญจเจริญคุณอีกบทหนึ่งว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทาง ทำในที่นี้คือธรรมะผู้ใดปฏิบัติได้เช่นนี้องค์สมเด็จพระชินาสีบรมศ า, ศาสดาสัมมาสมุติเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอปปมาโทอมตังปะทังผู้ไม่ประมาทฉลาดในการดำเนินชีวิตจะไม่พราดจากประโยชน์เป็นผู้เข้าถึงซึ่งอมตะธรรมังสุจริตังจรม พึงประพฤติธรรมให้สุจริตพึงทำดีเพื่อความดีธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะอันบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระธรรมเทศนาธรรมะจริยกถาว่าด้วยเรื่องประพฤติทำนำสุข มีในยะดังได้วิสัชนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาข้อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนียะตถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันทปนระโยยธานมณิโชติระโสยธ า, าน